ก็ขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจในการที่จะศึกษาพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันในช่วงนี้เราศึกษาสติปัฏฐานสูตรกันก็ศึกษาบ้างหยุดบ้างกันเป็นแตามสภาพนียก็เรียนแบบไหนเรียนพระธรรมแบบสบายๆก็แต่ถึงยังไงก็พยายามนะพยายามที่จะศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยนะ ก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งมันก็มีมีวาระธรรมทั้งหลายรบกวนนะบางครั้งก็มีปัญหาอะไรต่างๆมาแทกเป็นระยะระยะเราท่านทั้งหลายก็เนี่ยในสังสารวัตที่ผ่านมาให้คิดอย่างนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าทางดีแล้วไม่ดีเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยเกิดขึ้นในกระแสขันท่าแต่ยศนะของเรามาอย่างยาวนานแล้วฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเราก็มาแก้ปัญหาเก่าๆแล้วก็ทำๆแลาๆเช่น ปัญหาเรื่องสามีภรรยาเรื่องลูกเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์อันนี้เป็นปัญหาเดิมของสัตว์ทั้งหลายทีนี้ว่าอย่างเราท่านทั้งหลายศึกษาคัมภี์สติปฐานสี่ใช่ัหมในคำพี์สติปฐานสี่นั้นมีในทีคณิกายมหาวรฒนมีในมัชิมานิกายมูลปนณศแล้วก็มีในสติปฐานวิพังใช่ไหมท่านในพระวินัยบิดกก็มีโดยเฉพาะจะกล่าวไว้ในช่วงของ ในเล่มแรกๆ ก, ก็กล่าวในเรื่องของอานาบรรณะบอกเข้าไว้สรุปก็คือสอนทรงสอนสติปัฏฐานนั่นเองหรือในมันชฌิมานิกายอุปริปันธาเป็นต้นก็มีกล่าวไว้เยอะแยะหมดโดยเฉพาะในัมพีสั่งยุทสรุปแล้วก็คือว่าสติปัฏฐานสูตรจะเป็นวระสูตรที่พระองค์ทรงวางหลักเข้าไว้ในเรื่องการปฏิบัติที่เราท่านทั้งหลายก็พยายามที่จะศึกษากันให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการศึกษากัมพีนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นหลักในการที่จะปฏิบัติ เอาเรามาศึกษาคัมภีร์นี้เพื่อคิดอะไรนะเพื่อต้องการอยากจะมีแนวทางในการที่จะออกจากวัฏฏะใช่ไหมจะ๊ะทีนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามาดูในคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะบอกว่าในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเ e อกาญโนยังพิคเวมัคโคบอทางนี้เป็นทางสายเอกไม่ใช่ทางสองสายก็หมายความว่า สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาในสังสารวัตรทั้งแสนกจักรวาลหรือ ม, มากกว่านี้เนี่ยบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติเกิดขึ้นมาที่ต่างก็กระเสือกกระสนหาทางที่จะพ้นทุกกันก็คลำทางเอาเองบ้างคิดเอาเองบ้างแล้วก็ดําเนินไปสู่แนวทางที่ตนเองคิดว่าแมน่นั่นแหละที่จะแก้ปัญหาอย่าลืมนะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราแก้ปัญหาของเราตลอดเวลานั่นเราคิดว่ามันแก้แล้วมันจะพ้นทุกเช่นเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ย เราเราหิวเราก็ไปหาข้าวกินเรารู้สึกร้อนเราก็ไปอาบน้ําเรารู้สึกไม่สบายตัวอะไรต่างๆใี่เราไปกินยาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการที่จะแก้ทุกขนะ์นียก็แสดงเห็นชัดว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยถูกความทุกข์เนี่ยโถมทับมาเป็นระยะระยะใช่ไหมแต่นิสสัตว์ก็คิดว่าเ อ, อ้ยเหล่านี้เป็นคือวิธีการหรือหนทางในการที่ตนเองจะแก้ความทุกข์ของเองแล้วก็ดําเนินกันไป นั่นแหละทางเหล่านั้นนะ่ะไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่มรรคปฏิบัติที่จะเป็นทางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะทางเหล่านี้สัตว์โลกทั้งหลายก็คิดกันมาตลอดนี่แหละแต่มันคิดแล้วมันออกไม่ได้เมื่อมันคิดแล้วออกไม่ได้เนี่ยเราก็มาดูนะว่าเอ๊ะทําไมแนวความคิดของเราท่านทั้งหลายในสังสารวัฏที่ผ่านมาทําไมเราคิดแล้วเราออกจากการพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่เข้าใจไง เพราะว่าการที่เราไม่ได้ตั้งสัตทินทีไว้อย่างมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมถ้าไม่ตั้งไว้อย่างมั่นคงเนี่ยในที่สุดจริงๆนั้นเราก็หลุดเราก็ศรัทธานั้นไปตั้งในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรย่อไปตั้งเช่นไปศรัทธานในตัวบุคคลในสิ่งต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปกับพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดจริงเราก็เสียหายในอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยพระเจ้าสอนในเรื่องของศรัทธาวิริยาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเขาไว้ ให้สังเกตดูนะว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยศรัทธาทิ้งซีหรือศรัท ธ, ธาพราเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะระ ง, งับอสัธยีหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อความไม่ศรัท ธ, ธาเป็นต้นได้ทีนี้ถ้าพูดถึงคนในยุคนี้หรือในสมัยนี้อันมาใช้คําพูดมาตลอดว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาน้อยต้องเรียกว่าน้อยน ะ, ละหลายๆคนคิดว่ามากไหมว่าเราศรัท ธ, ธาพระเจ้ามากไหมจริงๆนะ่ยน้อยมาก ระหว่างวัตถุกรรมกระลาหของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเราเนอะไปทางด้านวัตถุกรรมมากกว่าพระพุทธเจ้าเยอะใช่ไหมแม้แต่ขณะที่ฟังธรรมเนี่ยเชื่อไหมบางคนต้องต้องเปิดโทราศาพรัพท์รอไว้เลยใช่ไหมขนาดนั้นเลยนะเหมือนเราอรอิยวรที่ว่าไอ้ตัววัตถุกรรมเนี่ยจะพลาดยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่เคยคิดไหมว่าไอ้ ه, ตอนนี้เราจะให้พระพุทธเจ้าสักวันหนึ่งจริงๆเลยเนี่ยจะปิดอารมณ์ข้างนอกและเราจะเดิมดําเนินตามคุณของพระพุทธเจ้าเว่าเจดวันใช่ไหม อันจริงไม่ถึงวันด้วยใช่ไหมถ้าครึ่งวันเนี่ยแค่ครึ่งวันไม่ราทนไม่ได้นั่นเพราะอะไรรู้ไหมตัณหามีกําลังเพราะศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษต่อเป็นปฏิปักษต่อเลยเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มตัณหาพวกสัตวต์ินรีทั้งหลายเนี่ยงนั้นตรงนี้ก็วิริยะเขาก็เป็นปฏิปักษต่ออลไรวิริยะก็เป็นปฏิปักษต่อความเกียดค้านสติก็เป็นปฏิปักษต่อเลยมุทัศสติสมาธิเป็นปฏิปักษต่อเลยน ะ, ะก็ความฟุ้งซ่านนั่เอง ปัญญาก็เป็นปฏิบัติกลุ่มสัมโมหะแค่นั้นถ้าถามว่ากลุ่มของตัณหาเป็นปฏิบัติต่อศรัทธาโกศช้าคือความเกลียดคานความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าไม่อดทนต่อการประพฤติปฏิบัติในตามพระธรรมคําสอนเนี่ยเป็นปฏิบัติต่อวิริยะมุตขสติคือการหลงลืมสติก็เป็นปฏิบัติต่อสติพละหรือสตินีนั่นแหละกลุ่มวิเคปากือความฟุ้งซ่านความลาคาญใจที่หลายทั้งหลายก็เป็นปฏิบัติต่อสมาธิ สัมโมหะคือความหลงในกลุ่มความหลงทั้งหลายเาก็เป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรปัญญาตรงนี้ก็เห็นชัดว่าคนที่มีศรัทธาน้อยตัณหาก็มากใช่ไหมคนที่มีศรัทธามากตัณหาก็น้อยก็ดูตรงเนี้ยอันนี้ก็ไปพิจารณาตรงนี้นะทีนี้ในครั้งที่แล้วก็คือพูดในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานในการเจริญสติปัฏฐานมีสองกลุ่มสองกลุ่มก็คือว่ากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาเนี่ยกลุ่มตัณหายริตทธ์ใช่ไหม ส่วนจิตานุปัสนาแล้วก็ทำมานุปัสนาในกลุ่มทิฏฐิจริตตอนนี้ยังยังยังขัดจักเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อต้องการจะแก้ไขปัญหากลุ่มตัณหาจริตอยู่คือกลุ่มศรัทธาน้อยทั้งหลายเนี่ยกลุ่มศรัทธาน้อยพระเจ้าก็สอนกายานุปัสนาสอนเวทนานุปัสนาตอนนี้เรากําลังศึกษาในเรื่องของเวทนานุปัสนากันอยู่ใช่ไหมศึกษาในเรื่องของเวทนานุปัสนาถามว่าการศึกษาในเรื่องของเวทนานุปัสนาในเพื่อจะแก้ป um ัญหาก็คือเกี่ยวในเรื่องของตัณหาจริตแล้วก็ปัญญา ปัญญามากหรือปัญญาน้อยไม่ใช่ต้องปัญญาค่อนข้างจะดีหนึ่งคือจริ ง, รงๆเขามี2กลุ่มไงกลุ่มตัณหาจริตสองประเภทใช่ไหมตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตทีนี้ในกลุ่มของตัณหาจริตเนี่ยนะเขามาแยกเป็นสองตัณหาจริตนั้นเกี่ยวกันในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของประเภทตัณหาห ย, ยาบๆกับตัณหาละเอียดทิฏฐิก็ประเภททิฏฐิแบบห ย, ยาบๆกับทิฏฐิแบบละเอียด ถ้าประเภทที่ตัณหาแบบหยาบๆเนี่ยก็จเจริญกลุ่มกายานุปัสสนาคือจเจริญอาณาปาณ ะ, จะเจริญียาบทสัมพชัญญะปฏิกูลมรรสการบัพใช่ไหมแล้วก็ธาตุธาตุปฏิกู ล, ศศก แ, ล, กกลแล้วก็ป่าช้าอีกเรวมเป็น14บสี่บเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หยาบพิจารณาไม่ยากเหมาะสมกับคนที่มีตัณหาหยาบๆทั้งหลายเนี่ยถ้าไปไข้ควรเหล่านี้แล้วก็จะถูกอัตยาใส่แต่ถ้ากลุ่มตัณหาวิจิต ตัณหาปฏิปฎดอยทั้งหลายอย่าลืมนะว่าถามว่าตัณหาเนี่ยตัณหาวิจิตแล้วอะไรวิจิตตามมาถ้าตัณหาวิจิตแล้วอะไรวิจิตตามมากรรมก็วิจิตถ้ากรรมวิจิตแล้วอะไรวิจิตตามมากำเนิก็วิจิตใช่ไหมฉะนั้นถ้าหตัณหาวิจิตการกระทําทางกายทางวาจาก็วิจิตเขาเรียกกรรมก็วิจิตถ้ากรรมวิจิตกลุ่มกรรมเนื้อก็วิจิตกลุ่มอวัยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยวิจิตไหมล่ะเอากลุ่มที่อย่างกลุ่มพวกธาตุพวกหอยเงี้ยวิจิตไหมเส้เดือนเงี้ย ใช่ไหมตัวบุ้งตัวล้านทั้งหลายเนี่ยกลุ่มพวกนี้วิจิตเนี่ยสัตว์ต่างๆเหล่านั้นที่วิจิตต่างๆเหล่านี้นะที่มีความวิจิตที่มีวิจิตต่างๆเหล่านี้ก็เพราะมีการเกิดมาเกิดในคันบางเกิดในไข่บางเกิดในเท่าไข่บางในยางเหนียวบางอย่านั้นมาจากการกระทําใช่ไหมการกระทําวิจิตกําเนิดวิจิตพอกําเนิดวิจิตสัตว์ก็วิจิตกันไปต่างๆอย่างเรานี่กลุ่มเกิดในคันแล้วก็มีเกิดโตขึ้นก็มีอย่างนี้ไปต้นฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นไปกันต่างๆเหล่าเนี้ก็เพราาะว่ เกิดจากกรรมที่มันกำเนิดวิจิตกำเนิดวิจิตเขาเพราะว่ากรรมวิจิตกรรมวิจิตเขาเพราะตัณหาวิจิตฉะนั้นบรรดาตัณหาที่วิจิตพิสดารทั้งหลายตัณหาที่ละเอียดละเอียดทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องเจริญเวทนานุปัสสนะใช่ไหมใช่วิจิตคืออะไรตัณหาวิจิตคืออะไรรู้วิจิตจนเรานึกว่าเป็นปัญญาเช่นการการทําหากินทางโลกเนี่ยบางคนฉลาดมากใช่ไหมมีวิธีการแยบยนย์เยอะ เราก็นึกวันนั้นปัญญาใช่ไหมถามว่าถ้าเรามาศึกษาพระธรรมอยู่อย่างนี้อยู่ทําในขณะฟังธรรมอยู่อย่างนี้นะเราเปิดโทรศัพท์อย่างนี้นะลูกโทรมาแม่คิดถึงแม่จังใช่ไหมเจอคำพูดอย่างเนี้เมือนอยากอยา ก, อยากเห็นหน้าแม่จังเนี้ยเรีบเลยมช่ไใจเราก็อูบแทนดีเลยใช่ไหมบอกโอ้โหเรามานั่งฟังธรรมทำไมเนี่ยอยากลูกเขาคิดถึงเราเขาไม่เคยพูดดีๆกับเรายิานเลยเข้าใจไหมสภาพตัณหามันกระปรงแต่ง พอปูงแต่งเสเ็จเด ก, ก, การกระทาบอกาขออนุญาตพระพุทธท่านก็พอดีมีธุระหรือหรือถ้ามีเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไม่มที่มันเกิดขึ้นถามบ อ, อกสัตว์โลกทั้งหลายยังไม่รู้ตัวเลยว่านึกว่าเป็นเหตุผลของปัญญาแท้ที่จริงเป็นเหตุผลของตัณหานั้นตัณหามันหลอกใช้ก็ไม่รู้ตัวก็อย่างที่บอกว่าระหว่างศรัทธากับตัณหาเนี่ยเราจะให้เราจะเป็นทาตใไทถ้าเราเป็นทาตตัณหาก็นี่ไง สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ในโลกจะพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเราเป็นทาตของตัณหาถ้าใครเป็นทาตของศรัทธาเมื่อไรนะศรัทธานําเราเชื่อมมาพุทธเจ้านี่ก็เรียกมีตถาคตโพธิศรัทธาแล้วอีนี้ก็เรียกว่าเป็นทาตของพุทธเจ้าแท้จริงก็คือเป็นทาตของศรัทธาที่ตั้งไว้ที่วัตถุสคือพุทธเจ้านั่นเองข้าพเจ้าเป็นทาตของพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาตของวัฒรมข้าพเจ้าเป็นทาตของพระสงค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า ก็แปลว่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดอะไรแล้วเราจะตามท่านแต่ถ้าตันหาพูดอะไรเราจะไม่ตามตันหาแต่ในข้อเท็จริงเราทําอย่างนั้นหรือเปล่าในข้อเท็จริงทําอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดความต้องการความยินดีความเพลิดเพลินในการที่อยากจะไปดื่มน้ําหวานอ ร, อ, อร่อยอร่อยให้ชื่นใจหน่อยซึ่งตันหาเป็นตัวบงการเนี่ยแต่เอ้ยระหว่างฟังแระทำเนี่ยถามว่าไอ้แรงต่อสู้กันในขณะที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้ถามว่าอะไรจะชนะอ๋อนี่เราจะเห็น ว่าเราเป็นธาตของพระเจ้าหรือเป็นธาตของตันหาแต่ในสังสารวัตที่ยาวนานมาเนี่ยเราเป็นธาตของตันหาและสัตว์โลกก็มีรู้ตัวตัวเองเป็นธาตของตันหาและตันหามันวิจิตขึ้นมาขึ้นมามันก็ทําให้การกระทําก็วิจิตตันหาเชื่อมอารมณ์ใดก็ทํากรรมเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นเมื่อทํากรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดการปฏิสนธิก็จะเกี่ยว ก, ก็จะเป็นไปโดยลักษณะนั้น อย่าลืมนะว่าทุกอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องที่เราไม่ได้วิจัยอารมณ์เหล่านั้นแปลว่าตัณหาเสพติดไว้หมดแล้วนั้นแหละเป็นที่เกิดของสัตว์ได้หมดเลยถามว่าอารมตัณหาเราเนี่ยเคยพอใจอะไรได้บ้างวันวันหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราพอใจอะไรบ้างเรายินดีอะไรบ้างเมื่อเรายินดีใช่ไหมตัณหาเกิดไปเกิดความยินดีเพลิดเพลินแล้วพอใจการกระทําก็เกิดขึ้นมาเช่นเรามองไปโอ้แอร์นี่เย็นดีใช่ไหม พอบอกอุ้ยแอร์นี่เย็นดีก็ชอบพอชอบเบสเซ็ตแล้วก็แหมคิดขึ้นมาแล้วก็ไปหาซื้อมาแล้วก็มาติดการจะทําวิจิตไหมวิจิตตามมาแล้วเป็นกรรมหมดไหมแน่ๆในขณะที่ทําไปนะแต่ทําได้กุศลหรืออกุศลนะทำเราเคยคิดไหมว่าการจะทํานั้นเป็นไปกับอกุศลแล้วก็ยินดีเราก็เพลิดเพลินจิตแล้วก็เสพคุ้นไว้แล้วทําอารมณ์นั้นแต่ว่าฝังแน่นในกระแสของขันทาศยจตนาเรียบร้อยแล้วกรรมก็ทําแล้ว ผลของกรรมก็รอโอกาสให้ผลต่อไปทุกครั้งเป็นแบบนี้หมดถ้าเราไปเห็นใครปุ๊บแล้วเราชอบดนตัณหามันก็มีการวันนี้แต่งตัวดีแปลว่าการกระทําทางวาจาเกิดขึ้นมโนกรรมก็เกิดขึ้นกายกรรมก็เกิดขึ้นกรรมสามสำเร็จแล้วจากการพูดจากการเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคิดแปลว่าตัณหาเสพคุณอารมณ์นั้นไวเบสเสร็จแล้วตัณหาสร้างสร้างอารมณปัจจัยเก่การปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วทุกอารมณ์เป็นแบบนี้หมดแล้วที่สัตว์ ไม่เงยศรีรษะออกจากความคิดในการที่จะหลุดพ้นก็คือว่าไม่คิดไม่เคยคิดว่ามันเป็นความเล่าร้อนไม่เคยคิดว่ามันเป็นความเจ็บปวดไม่เคยคิดว่ามันเป็นความทุกข์เมื่อเช้าเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวในเรื่องของอท่าทางของพระนิพพานในมิรินท่ปัญหาพูดแล้วเชื่อมโยงกับการปฏิบัติคือพูดแล้วจะมาพูดหลายครั้งนเกี่ยวในเรื่องตรงนี้แต่พูดเท่าไรแล้วทําให้คิดทําให้คิดตรงไหนรู้ไหมทําให้คิดเห็นว่า พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดมากทูตเจ้าสอนขนาดนี้แต่สัตว์โลกก็ไม่เห็นคุณของพระนิพพานไม่เห็นโทษของสังสาระวะัตรแปลกมากศึกษาฟังทีไรเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์มีอีกครั้งหนึ่งใช่ไมพระพญาเมรินเนี่ยถามพระนากเกษนบอกว่าพระนิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าเจอโดยทุกข์ด้วยถามเรื่องสภาวะของพระนิพพานใช่ไหมเราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะเจริญกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาหรือธรรมานุปัสนาใช่ไหม ทั้งสบับเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าปฏิปทาหรือเครื่องดําเนินทางดําเนินนี้เพื่อไปถึงพระนิพพานพระนิพพานคือสภาวะที่ดับทุกข์ใช่ไหมเป็นสภาวะที่ดับจากชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นก็แปลว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเบื่อที่เราจะมาศึกษาปฏิปทาเนี่ยเบื่ออะไรเบื่อชาติคือการเกิดเบื่อชราคือความแก่เบื่อพยาธิคือความเจ็บไข้เบื่อมรณะคือความตาย เบื่อความโศก ค, ความล่ํลายลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าราคาโทรศัโมหันนี่เป็นไฟสามกองใช่ไหมใช่ถ้าไฟสามกองยังดับไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีอีกเก้กองอีกอีกแกองตามมาใช่ไหมจะมีชาติชราพญาทิโควากรีเดวะทุกขโทมานาสัอุปาญาตเป็นต้นล้วนแต่เป็นไฟทั้งนั้นที่จะเผาเราอยู่ตลอดเวลาสรุปแล้วเราเนี่ยอยู่ในกองไฟแต่เราไม่รู้จะออกอยังไง แต่พระบรมศาสดาสร้างบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับต่อมาพระ อ, องค์ก็มาทําทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็แผ่วถางทางนี้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชี้บอกว่าท่านทั้งหลายที่ท่านเดินกันมาในวัฏฏะเดินไปแล้วไม่วรรทุกหรอกใช่ไหมโย่พระเจ้ า, จา ก, ก็บอกเดินมาทางนี้เนี่ยตถาคตบรรลุแล้วเดินมาถึงทางนี้ตถาคตได้นิพพานแล้วท่านทั้งหลายถ้าต้องการจะบริสุทธิ์จากกิเลสคือราคะโทสะโมหะใช่ไหม พ้นจากความโศก ค, ความล่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจท่านทั้งหลายเดินมาทางนี้นะว่าทางนี้เป็นทางบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางที่พ้นจากโสกกระดิเทวะทุกขโทมานจักระ ท, ราาทางนี้เพื่อบรรลุยายธรรมคือทําให้แจ้งซึ่งอริยมรรคเป็นต้นเหล่านี้นะทางนี้เพื่อจะกระทําพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นดําเนินตามทางนี้แล้วพ้นจากว่าจะทุกข์ได้ใช่ไหมเพราะบอกแบแบเสร็จแบบนี้ก็แปลว่าเราต้องการถามมาเดินไปนี้จะได้อะไรบอกได้พระนิพพาน เมื่อถึงพระนิพพานแล้วกระแสขันธ์ธาะะตุอายตนะมันจะหยุดตัวอยังไม่ยอมสมัยเมื่อ ไ, ได้ประนิพพานปุ๊บเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าได้เป็นพระโสดาบันปุ๊บเนี่ยความทุกข์ของพวกเราเนี่ยเหมือนกับความทุกข์ในในเหมือนน้าในมหาสมุทรถามว่าตักหมดไหมน้าในมหาสมุทรเนี่ยแล้วจะตักออกให้หมดหมดได้ไหมไม่หมดหรือฝุ่นในแผ่นดินเนี่ยเราคุยให้มันหมดได้ไหมดึงดึงมือนเนี่ยนันความทุกข์ของปุตุชนก็เหมือนอย่างนั้นแหละมันไม่รู้จะหมดจะสิ้นหรอก ตาหูจมูกเล่นกายใจของเราที่รอให้ผลอีกเยอะกรรมที่จะรอผลิตตาหูจมูกเล้นกายใจให้เราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตาหูจมูกเล่นกายใจนะแต่จะเป็นตาของอวัยวะสัตว์หรือของมนุษย์หรือของเทวภูมิอีกเยอะมันจะมันจะผลิตให้เราอีกมากกรรมเนี่ยกระแสะของกรรมเนี่ยเราทําไว้ทุกขณะจิตไม่มีชาวนะไหนเลยที่ไม่ากรดำแม้ขณะฝันยังทำกรรมเลยจริงไหมโยมทุกท่านแล้วจะไหวไหมที่เราจะมาตามรับใช้กรรมเนี่ยมันไม่ไหวหรอก แล้วต้องต้องมองดูกระแสของวัฏทุกที่มันจะหลั่งให้เนี่ยมันจะไหลให้มันจะผลิตวิบากให้อย่างมากมายนะทีนี้แต่เราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันคิดไม่ได้คือเราจะมาเดินในกายานุปัสนาเวทนาจิตาและธรรมานะเดินไม่ได้เลยจิตของพวกเราเนี่ยคือสภาพจิตของทุกวันเนี่ยจิตของเรามันฟุ้งอันมาใช้คําว่าจิตของสัตว์โลกปัจจุบันเนี่ยมันคุ้มครั่งมันระนับไม่อยู่เอางี้ถ้าอยากจะรู้ว่าคุ้มครั่งจริงหรือไม่ว่า ใครสามารถตั้งอยู่ในพุทธคุณได้ถึงยี่สิบนาทีไหมตั้งได้ไหมเอาสิบนาทไีไม่เปลี่ยนอารมเลยนะได้ไหมเอาน้อยมาอีกห้านาทีได้ไหมให้มันเงียบๆกันเนี่ยเอาสักสามนาทีแบบไม่เปลี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปทางอื่นได้เลยเนี่ยบล็อกอยู่กับที่พุทธคุณเลยตรึกพุทธคุณว่าอรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเนี่ยไม่น้อมออกจากคำว่าอรหังเลยเนสักสามนาทีเนี่ยได้ไหมยากใช่ไหมทีนี้เราลองไปที่โรงพยาบาลเราเคยเห็นคนบ้าไหม ถามว่าคนบ้าเนี่ยให้สังเกตดูนะคล้ายๆเด็กอ่ะเวลาตักข้าวใส่ปากคำหนึ่งปั๊บเนี่ยกําลังเราจะเอาข้าวเขกินนี่นะเขากินได้คำปั๊บเขาก็ลืมแล้วเขาวิ่งไปแล้วแค่เขาจะทรงจิตอยู่กับข้าวสักเพื่อให้อิ่มเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะคนบ้าจิตเขาคุ้มคลั่งแลสัตว์โลกทั้งหลายปมเหมือนคนบ้าเลยทวารกับการที่จะเอาจิตมาอยู่กับสติปัฏฐานเนะอยู่ไม่ได้ไม่เคยกันในในภพนี้นะในสังสารวัฏมันเคยมาอยู่ แต่ในพบปัจจุบันเนี่ยมันไม่เคยอบรมเยอะสมัมันไม่เคยเลยฉะนั้นเวลาจะอาจิตมาตั Form, ้งไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเนี่ยจะมาตั้งอยู่สักแป๊บหนึ่งไปสักเรื่องอื่นแล้วมันไปเรื่องอื่นแล้วมันไปเรื่องอื่นแล้วก็ใจหยางจิตมันคุ้มค้างมันคุมไม่อยู่เคยรู้ตัวไมว่าจิตมันเป็นขนาดนั้นแล้วมันอาการแย่แล้วโดยซ้ำไปแต่สัตว์โลกไม่รู้ว่าตนเองเลยอาการแย่แล้วมันหนักแล้วถ้าไปเรื่องการมคุณมันไปได้หมดแล้วแป๊บๆๆสารพัดมันแล้วไปทั่วแหละ แต่ถ้ามาตั้งอยู่ตรงนี้ปุ๊บแป๊บเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันง่วงหรือมาอย่างนั้นเดี๋ยวมันไปเรื่องอื่นหมดแหละมันจะหลุดมันจะตอกมันจะไม่มาหรอกเป็นงั้นจริงไหและ่ะเพราะว่าตรงเนี้ศรัทธาเราก็น้อยวิริยะก็น้อยสติเราก็น้อยสมาธิปัญญาเราก็น้อยหมดเลยอินทรีย์เราอ่อนหมดแล้วแต่เราไม่รู้ตัวทีนี้พอไม่รู้ตัวเนี่ยนะเขาเรียกว่าตอนนี้เราอาจฐา น, นใช้คําว่าอาจฐานมาเรียนสติปัฏฐานนี่ถือว่ากล้ามาก ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่เรียนกันแล้วนี่คนอาจฐานคนกล้าพมาเข้ามาปุ๊บพม่าเขาจริงๆริงโยใจมันจะกลับอยู่เลยเออกูคิดผิดหรอกเคยเจอเงี้ยเวลาเนี่ยถือว่าเป็นคนคิดกล้ามากแต่ด้วยความพยายามคิดเนี่ยแต่ในส่วนจริงก็ดึงถูกดึงกลับถูกดึงกลับตลอดจริงไม่จริงเราตั้งได้ไม่นานหรอกเหตุที่ตั้งไว้ไม่นานนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่เรายังละเราดื่มดื่มอะไรน้อยไป ดื่มธรรมโอสถของพระเจ้าน้อยแล้วไม่ดื่มไม่เป็นเวลาแล้วไม่ดื่มไม่เป็นระยะระยะไม่ดื่มไม่ติดตอ่อเจวันดื่มไม่มีทางรักษาโรคนี้ไม่หายไอ้โรคจิตพุงซานจิตคุ้มครั่งเนี่ยรักษาไม่หายหรอกสมมตินะเอาคนไปเข้าโรงพยาบาลบ้าถามว่าเจวันดื่มยาทียอมสุภณะวงศ์ว่าจะหายไหมหายไหมไม่หายแน่นอนเพราะปริมาณยามันน้อยปริมาณโรคมันกำเริบหนักแล้ว ฉะน้นถ้าต้องการให้สงบจริงๆเนี่ยพระธรรมของพระพุทธเจ้าต้องลาดลดตลอดลาดลดถึงไม่อยากดื่มก็ต้องดื่มให้สังเกตดูไหมคนที่เขาถูกหยับล็อกเขาไว้เนี่ยไม่อยากกินยาหรอกเขาฉีดเอาเอาอยากไม่กินนี่นักฉีดฉีดใช่ไหมเผลอๆมันคุ้มขลังก็ใช้กระ บ, บองไฟฟ้าต่เดียวเขาทํางั้นจริงนะามาไปดูกันแล้วจริงไม่จริงนี่เขาเช็ดไฟฟ้าช็อตเอาให้หมดแรงไปงั้นเลยแหละเราก็เหมือนกัน จิตของเราเนี่ยมันวิ่งออกนอกวิถีมันไม่เข้ามาสู่ร่องร้อยกรรมฐานหรอกมันติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทํามารมอย่างยาวนานแล้วมันจะไปทั้งนอกมันอยู่เรื่อยอ่ะเขาเรียกจิตมันคุ้มค้างมันคุมไม่อยู่เข้าใจยังมันคอนโทรลไม่ได้แล้วยังมีรถตัวทีนี้ปริมาณยาไม่พองั้นมีเทปมีดีๆฟังบ่อยๆท่านเบื่อก็ฟังทนเอาเดี๋ยวมันจะได้หายเข้าใจยังแล้วอย่าปิด อย่าไปรับยาพิษเข้าไว้ค่ะยาพิษก็คืออะไรที่มันไปเสพคุ้นแล้วมันทําให้จิตเรามันกําเริบอ่ะมันออกจากร่องรอยของพระธรรมของพุทธเยาอ่ะถ้าเสพคุ้นแล้วมันออกอ่ะพยายามระ ง, งับอย่าไปเสพมากทาไม่เสพได้ยิ่งดีใช่ไหมแต่ไปเสพเรื่องนั้นก็ต้องระมัดระวังเข้าใจอย่างถ้าอย่างนั้นแก้ไม่ได้โรคคุ้มครั่งนี้แก้ไม่ได้โรคที่จิตไม่อยู่กับร่องกับรอ ย, ยกับประฐานยังแก้ไม่ได้แล้วมันจะเจริญได้ยังไงใช่ไหมจ๊่ พอเสียงพระธรรมหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็ถ้าท่านมามองว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยน่าจะถึงขนาดถ้าเป็นคนป่วยก็ขนาดนั้นเพราปกติเนี่ยถ้าไปดูที่โรงพยาบาลเนี่ยมาไปดูมาไม่นานเนี่ยมันจะมีชั้นที่หนึ่งที่2ที่สามที่สีสสสส่ถ้าชั้นหนึ่งประเภทแใดไม่ค่อยกำเริบ ม, มากก็เลยปล่อยเดินเดินได้ถ้าประเภทกาเริบ ม, มากๆในชั้นที่4ี่เขาจะล็อกแล้วไฟฟ้าช็อตแล้วก็มัดไว้ก่อนมันจะคุ้มครัง่ง นี่เราก็ลองมาสังเกตดูที่ว่าเราธาตย่อาจิตผูกกับเวทนานุปัสนานีพิจารณาเวทนาที่เป็นสุขทุกข์หรือเพื่อมาไตรกวนเอาไปผูกไว้กับพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมถ้ามันได้ไม่ถึงห้านาทีเนี่ยมันต้องอยู่ชั้นสี่อยู่ชั้นที่สี่ไม่จะไปอยู่ชั้นหนึ่งต่อยไม่ได้มันออกจากกรรมฐานใช่ไหมไม่จะห น, นีไปทั่วให้สังเกตว่าถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาไม่ศึกษาพระธรรมนะ ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้หรอกอันนี้ใช่มันอยากจะมาอยู่ในกลุ่มที่เจริญกรรมฐานอย่างเงี้ยถ้า น, นี้ใช่แล้วแสดงว่ายานั้นมันมีผลแล้วมันจะหายคุ้มค้า่งแลยครับแต่ถ้ามันยังรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับกลุ่มนั้นอยู่ท่นนี้ไม่ใช่แล้วเข้าใจยังตอเนี้จะได้รู้วัดวัดตัวเองได้ว่าเืออาการมันหายหรือยังหายจากที่จะเป็นปุรุชนอย่างเขาไหมเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของอริยชนไม่ได้นะโยมสมยัย กลุ่มพัลย์ญาท่านมีปฏิปทาอีอย่างมีข้อปฏิบัติอีอย่างมีวิธีคิดอีอย่างถ้ากลุ่มประชาชนก็อย่างที่เราไปเกลือกลั่วกันทั้งหลายนั่นแหละเขาก็ไปเขาวันวันไปงั้นอ่ะเดี๋ยวเขาทะเลาะกันตอนเช้าดีกันตอนบ่ายเนี่ยบางทีแหมเหมือนจะเอาจริงเอาจังกันอ่ะเข้าน่ยเข้าก็จับมือกันนี่นะอะไรเนี่ยอยู่กันแั้นแหละบางทีก็ด่ากันขโมงท้องเฉ็งแต่เช้าเลยนะพอตอนกลางวันนั่งคุยกันยิ่งยั่งจ็บเปิดใสเนี่ยบางทีเกาฟาดหัวงฟาดงากันเลยสารพัดนั่นะเพราะเขาเขาคำเริบแล้วจิตเ อาการเขาแย่แล้วเขาคนนั้นก็คือเราก็แย่ต้องเอ๊ะพูดงี้เข้าใจไหมนี่ยมเข้าใจใช่ไหมดื่มต้องดูว่าดื่มทำเม้าสอดดื่มยาเนี่ยของพุทยากเนี่ยไปแอบเททิ้งบ้างว่ามันมีคนมันมีคนคุ้มคลังฉลาดนะเขาเอาหมอให้กินพ๊กมีอยู่คนนึงนะรู้จกกักระดมมาเนะี่ยโอ้ยาหรือเป็นกรรมเลยเขาบอกยาเขาพอหมอให้ให้ยามากินนะตอนตอนนั้นเนะ่ยอาการเขาก็ไม่ไม่กําเริบหนักหรอก เขาบอกให้กินยาก็หมอหลอกครับหมอหาว่าเขาบ้าเขาามองดูแล้วเนี่ยพวกหมอต่างหากที่บ้าเห็นไหมเขาไม่เคยคิดว่าเขาบ้าเลยอะแต่เขามองว่าหมอเนี่ยบ้าฉะนั้นยาของคนบ้าจัดมาให้เขาจะกินทำไมน้าเขาน้าเข้าเขาเลยอยู่กับกลุ่มพวกเราไม่ได้ตอนนี้เขาก็ไปเดินกับถนนใช่ไหมถ้าเดินกับถนนจะแปลว่าเขารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะแต่พออยู่ต่อมาเขาไม่ได้เดินที่ถนนแล้วเขาก็ถูกจับไปไว้ที่บ้าน ที่ดังที่กล่าวแล้วก็เริ่มลามโซไปตัวแล้วเนี่ยอันนี้แปลว่าถาวรแล้วแต่ถ้าเขารักษาหายแล้วนะเขาไม่อยากอยู่กลุ่มนั้นเขาเขาจะเริ่มรู้ตัวไอ้พวกนี้เขาบ้ากันดีว่าเราไม่อยู่ด้วยแล้วเดียออกถ้ายอมคือวานหนผมกลับไปไปเริ่มทํางานเขาก็ยอมวันใดวันหนึ่งยอมคือว่าหนูเฮ้พวกนี้บ้าดีว่าเราอยู่ด้วยไม่ได้เดี๋ยเราต้องระวังเดี๋ยวติดพิษเหมือนเงนี้เนยถ้าคิดอย่างนี้ว่าอะไรนะอันนี้แสดงว่าเริ่มจะเข้ามากลุ่มของภารยานแล้วเข้าใจป่ะตอนนี้ยังคิดว่่าาาเเเหมเหมืออนรยู โหต่างกันยุ่งเลยน่าเป็นอ้วง้าการน่าเปน็นองบไม่ยอมรับหรไม่ยอมรับใช่ไม <c oughs> เขาไม่ยอมรับทั้งสองคนไม่รู้ใครบ้าท่านอยู่ในความไม่รู้ใครบ้าชอบผัวเราบ้าเราว่าเขามาเลยไม่ทราบว่าใครบ้าเอาเราคําสอนพระเจ้าเป็นตัววัดดีเอางี้นะลักษณะของวิปปิลมาเิศการนี่นะเราต้องดูว่าของที่ไม่งามเนี่ยเขาเห็นว่างามไหมใช่ไหม ตาหูจมูกลิน้นกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกม้าหมหัวใจไตตับปอดไส้ใหญ่ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ ส, ส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีสเสลนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันเป็นต้นเหล่านี้ยสิ่งต่างๆ่หรือนี่งามหรือไม่งามถามครับดีหรือไม่ดีเห็นไหมถ้าเขาเห็นว่าโอ้มันดีนี่ยเห็นไหมก็สังเกตบางทีเขาบอกว่าไม่ดีแต่เขายังยินดีเพื่อเฟินไหม อันนั้นเขาแกงพูดว่าไม่ดีแต่จริง ๆ, ๆ, ๆก็ยินดีเบิดเิยกลุ่มนี้ยเขาคล้ายๆว่าจะพูดว่าไม่ดีก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะคิดทีไรมันก็ไม่ดีแต่ใจเขาเสพคุ้นในเรื่องเหล่านั้นมานานก็ออกไม่ได้ใช่ไหมแล้วของที่มันไม่เที่ยงเขาไปเห็นว่าเที่ยงเนี่ยของที่มันเป็นทุกข์เขาไปเห็นว่าสุขของที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เขาไปเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเขาวิ ป, ปริตมณสิการอย่างนี้บ้าหรือไม่บ้าอ้าบ้าหรือไม่บ้าทางคําสอนเขาเรียกว่าวิปริต เอาคำว่าวิปริตนี่คือคือบ้าใช่ไหมถ้าคำว่าวิปริตเนี่ยจริงๆว่าเขาเรียกวิปริตมันนักสิการสัพท์ท้าทเรียกอย่างั้นอาจจะมาเลยใช้คำเบาๆอาจารย์นะเดี๋ยวนี้จะมองอยู่นก่อนนี่เราก็ว่าหน้าเรางามนเดี๋ยวนี้เขแต่งหน้าเขางามแล้ม่ยังโนตุ่มเต๋ยใช่ปะใช่มันดูดีหน่อยทำไมไม่ถึงอาจารย์พูดแบบพอแต่งหน้าอีไรเนี่ยหน้าเราไม่งามนะมันถตุ่มทัดเพราะว่า ก่อนนี้เรายังไม่ขัดเราเพราว่าหน้าเรางานใช่นั่นแหละก็คือ <ST. S 1> ถามว่าคือมันอย่างนี้นะมาชาจะมา อ, อุปมาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยกลุ่มนามมาทำทั้งหลายของเราเนี่ยเหมือนประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยประเทศแต่ละประเทศขันแต่ละขันก็คือประเทศแต่ละประเทศในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเราปล่อยป่าล่าเลยมนาะเขาเรียกเป็นประเทศที่ไม่มีพระราชาปกครอง นันประเทศที่ไม่ได้ขันของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกสัตว์ทินซวิรีทินซีสเตนซีสมาทนินซีปัญทินซีก็เหมือนกับประเทศที่ไม่มีเวลาชาที่ปกครองโดยธรรมก็ปล่อยป่าละเลยเวลาสัมละสายมีการจลาจลกันใช่ไหมมีการต้นสะดมกันลักขโมยกันแล้วก็ตีย่องเบากันเข็นฆ่ากันประทุสลายกันก็สังเกตดูเอาในประเทศคือในขันของโยนสมาเนี่ยโรพะยังมีอยู่ไหม โทสะยังมีอยู่ไหมโมหายังมีไหมมานะทิฏฐิวิจิจชาอิทธิการโนตตะปามีอยู่ไหมโทสะอิสามัฉริยะกุกุจามีไหมโมหะอิทิการโนตตะปาอุทะจามีไหมโลภามีไหมทิฏฐิเห็นผิดมีไหมมานะเยื่ยยิงดือตัวมีไหมขีน่ามิท่ามีอยู่ไหมวิจิกิชชาอุทะเป็นต้นมีอยู่หมดเลยฉะนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเต็มไปหมด แสดงว่ามันมีการปล้นสะดมกันบ้างมีการลักขโมยกันบ้างมีการเข็นฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาเยอะในประเทศนี้เขาเรียกประเทศที่ไร้คือแปรแล้วมันไม่มีเวราช้าปกครองนั้นพออยู่ต่อมาเราจะจัดการบอกว่าคุณไม่ได้แล้วประเทศเนี้เราจะจัดการให้มีการปกครองให้เป็นรูปแบบสักทีโดยระดมศรัทธามาอุริยาสติสมาธิปัญญามาเพราะจะระดมขึ้นมาเป็เสร็จเนี่ยมันไม่เคยเข้าใจไหมเนี่ยมัน พระราชาคือปัญญาพกศรัทธานี้แหละกลุ่มพวกนี้แหละศรัทธามีไหมศรัทธาในตถาคตฐานที่ัามีไหมมีน้อ ย, ย, ย, ยใช่ไหมระหว่างพุทธเจ้าแนะนากับตัณหาแนะนเชื่อใครเชื่อใครจริงๆแล้วั่งังนี่้เชื่อเพาศรัทธาไม่ใช่เชื่อใครมากตัณหามากกว่าใช่ไหมอย่างนี้จะเชื่อพุทธเจ้าได้ยังไงก็เชื่อได้ไม่มาก ระหว่างวิริยะนี่นะความเพียนเนี่ยนะกับความเกียจค้านในการศึกษาในการฟังว่าทำในการปฏิบัติทำอกกันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันใช่หไหมระหว่างสติกับการหลงลืมสติอะ่ะอันไหนมากถ้าสติมีต้องเจริญสติปัฏฐานเป็นต่อเนื่องอะ่ะมีไหมเป็นไปกับการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเป็นไปในการเจริญกายเวทนาจิตทำไหมเป็นไปอย่างต่อเนื่องไหมเสพคุณตลอดเวลาไหมใช่หไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ถ้าความเพียนสูงๆเนี่ยเขาเพียนระดับไหนนะเนื้อ และเลือดจงแห้งไปเถิดหนังเอ็นกระดูกจะอยู่เตือนหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุแล้วเราจะไม่เราไม่หยุดถ้าไม่ได้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุไม่รู้แจ้งในธรรมที่ยังไม่รู้แจ้งจะไม่หยุดความเพียรเนี่ยเคยตั้งขนาดนั้นไหมล่ะเนี่ยเขาเรียกไม่มีองค์ของความเพียรเลยอะแค่นี้เราก็หลุดแล้วจริงไหมเราก็หลุดแล้วเราไม่เคยตั้งเลยเรามีเสียดายเนื้ออยู่ไหมเสียดายเนื้อในสรีรามไหม ถ้ามันจะผอมลงผอมลงเพราะการฟังธรรมอ่ะมันเสียดายเลือดไหมอ่ะถ้ามันจะแห้งแห้งไปเนี่ยคนนั่งฟังธรรมแล้วเลือดมันจะแห้งแห้งไปเนี่ยเสียดายไหมเหลือแต่หนังแต่เอ็นแต่กระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสมโพวิยาณจะไม่หยุดเนี่ยพุทธเจ้านะถ้าไม่บรรลุปัจเจกโพอิญาาจะไม่หยุดถ้าไม่บรรลุสาวกพอิญาาจะไม่หยุดในการที่จะเพียรเพียนชาตินี้ไม่ได้บรรลุจะไปเพียนชาติต่อไปชาติต่อไปไม่ได้บรรลุจะไปเพียนต่อไปเรื่อยๆเคยตั้งอย่างนี้ไหม ถ้าตั อ, อย่างนี้ใช่สมามรปทานอยู่ในใจเราแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงรึเปล่าถึงเวลานี่เห็นหมหวังเป้าเลยชัดเลย <c oughs> เห็นไหมกรรมคุณเรียกเลยเนเนี่ยเห็นนี่ยังเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมสมมตินะถ้าอนุมาบรรยายทำอนมา ก, ก็เปิดโทรศัพท์ไปเรื <c oughs> อ่อยเพราป้าเดียวยอมขอโอกาสเนี่ยนี่อนุม ก, ก็น้องกรรมคุณที่ตังเงี้ยใช่ไหแห ม, มอนุมาไม่เลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นนี่ยัง ว่าศรัทธากับตัณหาอันนอะไรมีกําลังมากอันนี้ยกตัวอย่างเห็ น, เ, หนเลยเนี่ยนะท่ากับตัณหาตรงนี้ก็คือว่าต้องการเชี่ย้เห็นว่าถามว่าเรายังไม่เพียงขนาดนี้ใช่ไหมถ้าต้องการอยากรู้ว่าเราสติเราดีหรือไม่ดีดูว่าเป็นไปตามสติปัฏฐานไหมถ้าดูสมาธินรี่นะดูตรงไหนดูว่าตอนนี้อุปจารแสมาธิเกิดขึ้นบ้างไหมถ้าอุปจารลสมาธิเป็นต้นไม่เกิดขึ้นในกระแสจิตนี่นะมันสงบความฟุ้งซ่านไม่ได้หรอก ความระสำมระสายในใจไม่ได้หรอความเล่าร้อนในใจเราจะสงบระงับไม่ได้ถ้าความสงบระงับไม่ได้นะถามว่าคิดอย่างนี้นะแล้วเราจะเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ใจมันขุนหมดแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีศรัทธาแต่ว่าใจขุนใช่ไม่ใช่เพราะศรัทธาทัาดอุกมาเหมือนกแก้วมันดีถ้าน้ําขุนๆก็ใช้แก้วมนันดีไปแกว่งแกว่งแกวแกวงกวงแกวกวแวงปุมันจะใสไหมนั่นแหละอย่างบ้านเราไปใช้สารส้มแว่งแกว่งแกว่งนั่นไม่ใสใช่ไหม นั่นแหละจิตของคนที่ไม่มีศรัทธามันคุณมันขุนมากและคุณไม่เห็นธรรมุ้งพระเจ้าถ้าไม่มีสมาธิสีก็คือเอกคต า, าก็ไม่เกิดเพราะเอกคต า, าไม่เกิดก็จิตก็ไม่สงบถ้า ม, มีปัญธรมว่าปัญญสีเกิดสังเกตตรงไห น, นอริยสัตว์ปรากฏไหมถ้าอริยสัตว์ปรากฏเดี๋ยวไปดูบทนิโรจะเกิดหรือไม่เกิดลองดูเงเป็นอย่างนี้แสดงชัดว่าปัญญาหินแบบนี้จริงๆก็บอกว่าพยามิรดินกระถามพระเจ้าใช่ไหมเอเอไม่ใช่ถามพระน่าเกษรบอกว่า นิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวนั้นข้าพเจ้าไม่ขอเชื่อข้าพเจ้าเชื่ออยู่อย่างว่าพระนิพพานในเจือได้ทุกพระนิพพานในเจือได้ทุกนี่ข้าพเจ้ามีเหตุผลอยู่ว่าเหตุผลในข้อนี้เป็นชไใพรก็คนยากนะักเส้นบุคคลทั้งหลายผู้แสวงหาพระนิพพานเนี่ยปรากฏว่ามีจายมีกายและจิตเนี่ยมีแต่ความเลวร้อนแผาเผามีอันต้องการกําหนดยืนกนําหนดนั่งกําหนดนอนและอาหารมีอันต้องกําจัดการงกง่วงต้องบังคับอายตนะต้องละจากทรัพย์สินยากนี้เป็นต้นนั้นเป็นที่รัก บุคคลที่มีสุขอินเอิบเจ้กากรรมาสุขในทางโลกล้วนแต่ทําอายตนะทั้งหลายใลื่นลมไม่เพิ่มพูนว่างั้นทำตาให้ลื่นลมไปต้นอะไรเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคือพระยามิรินก็บอกว่านิพพานต้องเกลียดทุกข์ไม่สุขโดยส่วนเดียวเนี้ยเนี้ยเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าคนนี้ต้องการพระนิพพานเนี่ยอาหารเขาเขากัดใช่ไหมใช่คือพระนาคเกษ็เนี่ยเออพระยามิรินเนี่ยท่านไม่เข้าใจท่านไปนึกว่าท่านไปนึกว่า พระที่ฉันน้อยๆเนี่ยคือร่างกายมันจะเป็นทุกข์แท้ที่จริงเนี่ยการฉันน้อยเนี่ยเขาเรียกวเป็นการอบลมกายถ้าอาหารมันเข้าไปในท้องมากๆเนี่ยมันจะงกง่วงสตาวิริยะสติสมาธิปัญญามันจะไม่เดินกระแสใจเอาลองกินอิ่มๆแล้วมานั่งฟังธรรมะเนี่ยสักพักมันก็หลับใช่ไม่ใช่หลับไม่หลับเพราะมันแน่นมันลำขาดใช่ไหมไอไฟเตโชธาตุก็จะไปทํากิจในการเผา ใช่ไหมเอางี้ลองทานอาหาร น, น้อยๆด้ดิให้ร่างกายโปร่งๆมาดิฟังทำหูเข้าใจไปปฏิบัติทำกันนั่นเขาเรียกอบรมกายดูแลกายดีแต่คนบางคนเนี่ยโอ้โหใช่ไหมแปะมาเลยอาหารเนี่ยอัดอยู่นั่นแหละหิวเป็นกินหิวเป็นกินเนี่ยนะแค่ในส่วนอาหารก็เมาเมาพัดแล้วถ้าเป็นพระนี่ก็บอกว่าถ้าถามบอกว่าทําไมเกิดมามาเป็นขี้ข่าอะไรก็ตําหนิแรงนะ ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังทรงบัญญัพุทธะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติได้ว่าจะจะบัญญัติประชิกข้อที่ห้านะคือปัญญมาประชิกเกี่ยวเรื่องการกินเนี่ยมันเป็นโทษสัตว์โลกทั้งหลายที่เจ็บป่วยกันตั้งหลายก็เพราะการกินนี่แหละมันหิวสัตว์เนี่ยทางทาวารตาก็อยากจะดูทางทาวารหูก็น้อมที่จะฟังทาวารจมูกก็น้อมที่จะไปหาดมกลิ่นที่มันดีๆเป็นต้นทางทาวารลิ้นก็ต้องการอยากจะเออะไรไปแปะแปะกินก็ไปทางทาวารกายก็ต้องการ สภาพที่อบอุ่นเพียงพอทางถวานใจก็ไม่เต็มอิ่มการลมทั้งหลายที่ซ่านไปตามอารมณ์น้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ยฉะนั้นสัตว์โลกนั้นน่ะกระเสือกกระสนดิ้นรนเพราะตัณหานะผักสายไล่ทรงเป็นธาตุของตัณหาไม่รู้จะอิ่มใช่ไหมถามว่าโลกกับกล่าวคือขันใบเนี้ยมันพองอยู่เป็นนิดไหมพองไม่พ่องอ่ะถมเต็มไหมความต้องการทั้งสัตว์โลกเนี่ยมันไม่เคยเต็มเลยยอมเกิดมาเจกว่าผลแล้วเนี่ยใช่ไหม ลองพิจารณาดูเดี่ยวมันเคยอิ่มในอารมณ์ไหมละ่ะตัณหามันไม่พอก็เคยยกตัวอย่างมาแล้วในสติปัฏฐานเนี่ยพระเจ้ามันาตุลาชเนี่ยใช่ไหมทวีบทั้งสี่ก็ไม่เอาก็ไม่พอทวีบน้อยสองพันบริวารก็ไม่พอจารุมหาราชก็ไม่พอดาวเดืองอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่พอข้อที่ไหนอะพระองค์จึงสอนท้าบอกว่าตัณหาทุกไม่เต็มหรอกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตรงเนี้ยคือ พระนาคเษนก็อธิบายพระยานิมิลินก็บอกว่าคนที่แสวงหาพระนิพพานปรากฏว่ากายและจิตเนี่ยรุ่มร้อนมีการเดินการนั่งการนอนอาหารต้องจํากัดความโงกง่ว ง, ง, ว ง, บ, งบังคับอายุธนะก็หมายความว่าแม้ตานีต้องการจะดูรูปที่สวยๆหูต้องการที่จะฟังเสียงที่พเพราะๆจมูกต้องการดมกลิ่นที่หอมๆลิ้นต้องการรสสัมผัสที่อร่อยๆกายต้องการสัมผัสที่นิ่มๆใจก็ต้องการทํามารมณ์ที่ดีๆต่างๆเหล่าลนี้เป็นต้น แต่คนที่ต้องการพระนิพพานเนี่ยไปจํากัดความสุขเหล่านี้เมื่อไปจํากัดความสุขเหล่านี้เบียเศ็จก็แปลว่าการปาฏิารนนิย์พระนิพพานหรือสภาพของนิพพานต้องเป็นความทุกข์แน่นอนใช่ไหมเพราะมันจํากัดความสุขของคนโลกทั้งโลกหมดเลยแล้วมันจะจะว่านิพพานเป็นบรมสุขได้ไงจริงไหมแสดงให้เห็นชัดว่านิพพา น, นต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่า ใจก็ทำความเริ่มล้นเพิ่มพูนได้มโนมีการมณสิการการตึกถึงอารมณ์มากมายอย่างนี้อันเป็นบุญบ้างบาปบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้ประการต่อมาก็คือบอกว่าพวกท่านพากันกําจัดบัญทอนตัดขาดป้องกันขัดขวางควา ม, วามรื่นลมแล้วก็เพิ่มพูนตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเสียเขาบอกว่าสิ่งที่จะเป็นการเพิ่มความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยแล้วพวกท่านก็ไปตัดความสุขตรงนี้เสียเนี่ย แล้วนิพพานจะเป็นมีความสุขได้ยังไงเอาละจริงๆเป็นอย่ังไงไหมนิพพานนิพพานนี่เป็นบรมสุขจริงนะฮะให้ยอมสุภาพนะผมนพานนี่เป็นสุขจริงรปร่าร่าสุขแต่ว่ายังเรียนไม่ถึแล้วจริงๆเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาไหเชืออ่องมีจริงแล้วเชื่อว่ามันจะดับทุกข์ได้จริงไหมเชื่อนิพพานนี่ดับทุกข์ได้จริงไจริงเชื่อเชื่อใช่ไหมเชื่อร้อยเอเทันอเทไมไม่เคยเร่งเรียบ น <rí> e> <lesser of my Harriet> ี่ใช่ไหมถ้าจะมาเชื่อแค่ร้อยเปเนี่ยมาจะรีบเต็มที่เลยตรงนี้ท่านบอกว่าเอการประพฤติปฏิบัติเป็นการตัดทอนความสุขใช่ไหมเมื่อตัดทอนความสุขอย่างนี้แสดงว่าความทุกข์ก็จะต้องถมทับในกระแสจิตท่านเหานั้นมากแล้วจะไปบอกว่านิพพานนั้นเป็นสุขได้ยังไงจะต้องเจือทุกแน่นอนมีทัศนะของพยามิลิน พระสมณะโคตมะหรือพระพุทธเจ้าผู้กําจัดความเจริญดังนี้ไม่ใช่หรือที่กล่าวมา น, นี้เป็นเหตุผลในข้อนี้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ากล่าวว่านิพพานนั้นต้องเกลียความทุกข์แน่นอนถ้าหน้าเกษณ์ก็เลยบอกขอถวายพระพรนิพพานไม่ได้เจือด้วยความทุกข์หรอกนิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวนิพพานเป็นบรมสุ ข, ขขอถวายพระพรว่างี้นะเป็นสุขที่สูงสุดไม่มีความทุกข์เจือยเป็นเลยแม้แต่อันนูเดียวข้อที่พระองค์ตรัสว่านิพพาน น, นั่นเนาะก็บอกว่า ขอถวายพรข้อที่พระองค์ตรัสว่าหมายถึงพยามิรินบอกบอกว่านิพานเป็นทุกข์เน่ยขึ้นชื่อว่าพระนิพานหาเป็นทุกข์ไหมคือนิพานไม่ได้เป็นทุกข์อย่างที่พระองค์เข้าใจนอะพระโอษฐวณิพา น, นไม่มีชาติทีทุกข์ไม่มีชะลาทุกข์ไม่มีพยาธิทุกข์ไม่มีวราณาทุกข์นิพานไม่มีโสกาเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะข้อที่พระองค์ตรัสบอกว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนเบื้องต้นบอกที่พระองค์พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่นิพานแต่นั้นเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเข้าใจใช่ไหมถาม เราจะไปพระนิพพานเนี่ยแต่เราจะไปแบบสะดวกสบายเนี่ยจะจะไปแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยนอนเปิดแอร์สบายเยน็นไม่ต้องลุกทําความเพียรเลยเดี๋ยวมันก็นิพพานเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมโยมทุนของเป็นไปได้ไหมฉะนั้นการบรรลุธรรมที่ประณีบไม่ได้บรรลุได้ด้วยทําที่เร็วตัณหาเป็นธรรมที่เร็วไหยเออเป็นธรรมที่เร็วโมหะเป็นธรรมที่เร็ว ไม่ใช่บรรลุพระนิพพานโด้โดยทำที่เร็วกว่าคือตัณหาหรือโมหะฉะนั้นการที่จะไปบรรลุความสุขอันสูงสุดนั้นต้องออกจากตัณหาแล้วก็ต้องตัดวงจรของตัณหาไปเรื่อยๆตัณหามันยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมันยินดีในความยินดีเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจในความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตัดวงจรเบื้องต้นมันเสียแล้วก็เพียนพยายามไปไอ้ข้อปฏิบัติเบื้องต้นนมันเป็นทุกข์ แต่ทุกเหล่านี้มันแรกบรมสุขเลยทําไมไม่เอาถามบอกว่าถ้าปลาบุคคลที่ก็เป็นราชกุมารทั้งหลายปราถนาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ <c oughs> เขาต้องเพียรพยายามไหมต้องเสริมความรู้ต้องสร้างทักษะต้องใช้ความสามารถต้องต้องอาศัยเหตุปัจจัยเยอะแยะหมดไหมไม่ใช่นั่งคอยรอนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอยรอเลยหรือบุคคลที่จะประสบความสําเร็จไม่ใช่เป็นนอนฝันแล้วเจอสําเร็จเองไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ย ในตำนองอย่างนั้นนิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวที่พระองค์กล่าวมานะั้นเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นและนิพพานไม่เจือด้วยทุกข์ด้วยไม่มีความทุกข์เลยอัตมาภาพนี่นะอัตมาภาพจะขอกล่าวเหตุผลในคําวันที่ว่าวันนี้ชื่อว่ารัชสุขสุขในการคลองราชแห่งพระพ ร, ะราชาทั้งหลายมีอยู่หรือไม่ย้อนถามว่าพญามิรินบอกว่านี้การเป็นพระราชานี่มีสุขไหมการคลองราชเนี่พยพญามิรินก็บอกใช่พระคุณเจ้ารัชสุขนง แย่งพระราชาทั้งหลายจะมีอยู่พระราชามีความสุขนะั้นไม่ใช่ไม่มีพระนาคเสศน์ ก, ก็บอกว่าขอถวายพระพรแล ะ, ะสุขหรือเป็นความสุขที่เกืียด้ยทุกข์หรือไม่หมายความว่าเออในการเสวยความสุขจะเป็นพระราชาในขณะที่สุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกลียดไหมในขณะที่สุขเวทนาเกิดขึ้นตอนนั้นทุกเวทนามันแทรกอยู่พร้อมกันไหมก็บอกว่าหาไม่ได้พระคุณเจ้าพระนาเกศนบอกขอถวายพระพรเมื่อหัวเมืองปลายแดนเกิดกำเริบขึ้น ถ้ า, ากวรัชสุขไม่เจือได้ทุกเพราะเหตุไรเอาสิตอนนี้ถ้าเอาตอนนี้ทางปัจจันตชนบทเนี่ยเขากำเริบขึ้นมาแล้วเขาจะมีการก่อการยราจนแล้วเนี่ยพระราชานั่งสบายอยู่ไหมเอาภาคใต้ก็ขึ้ห้ามขึม้นหเดี๋ยวก็ทหารตายเดี๋ยวก็ประชาชนตายชาวพุทธตายกันเป็นว่าเล่นเนี่ยคนเป็นผู้ปกครองทั้งหลายนี่ดีใจไหมเห็นไหมแล้วจะบอกว่ารัชรสุขสุขการเป็นพระราชาเมื่อกี้กว่าเป็นพระราชามีสุขเนี่ยใช่ไหม ตรงนี้ก็เพราะเหตุไรพวกพระราชาเหล่านั้นจึงทรงมีพวกอาหมาัดพวกเมทับได้ลาลัชวาท่ายพนแวดล้อมเสด็จนิราศไปเพื่อจะปราบเมืองชายแดนเป็นต้นเหล่านั้นทรงถูกเหลือบยุงบ้างสายลมบ้างแสงแดดบ้างเบียดเบียนใช่ไหมในขณะที่ไปอ่ะทุกทรมานในการเดินทางขุขักขักเป็นต้นเหล่านี้บ้างทั้งยังจะต้องทําการลบด้วยบางครั้งก็อาจจะสิ้นพระชนในระห ว, ว่างสงครามก็ได้ พยาเมลิงกับผมให้ได้เจ้าค่ะข้อที่กล่าวมานี้หาชื่อว่ารัชสุขไม่ข้อที่ว่ามานี้เป็นเพียงการกระทำมันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งรัชสุขเท่านั้นพระคุณเจ้าหน้าเกษตพวอ ก, กระพระราชาทั้งหลายสแสวงหาราชสมบัติได้มาแล้วได้เสวยรัชสุขพระคุณเจ้าหน้าเกษตราัชสุขไม่เจือได้ทุกตามที่กล่าวมานี้รัชสุขเป็นอย่างหนึ่งทุก์เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระนาคเกษ็จก็เลยบอกขอถวายก้อรอุปมาชั้นใดอุบไม่ก็ชั้นนั้นพระนิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจียดิทุกแต่ว่าบุคคลเราได้แสวงหาพระนิพพานนะบุคคลเหล่านั้นก็ต้องทํากายและจิตให้ร้อนรุ่มต้องกําหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนต้องไขควรพิจารณาอาหารต้องกาจัดความโงกง่วงแล้วก็ต้องบังคับอายตนะนะีคือจักขูโ่โสตานะชิวหาต้องปิดไม่ให้บาปใช่ไหมไม่ราคะโทสะโมหะไหลราดลดในทวารตา เข้ามาผ่านทางสวานตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องสละกายทั้งชีวิตคั้นสแสวงหาพันิพานได้ด้วยความลำบากแล้วจึงได้สวยพันธิพานันเป็นสุขโดยส่วนเดียวดุดพระราชากําจัดข่าศึกได้แล้วก็สวยรัชสุขฉะนั้นขอถวายพระพรพันธิพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวไม่เจือได้ ส, ะะสุข น, ะข น, น, ขขขขนี่ทุกนิพพานนั้ น, นเป็นอย่างหนึ่งความทุกข์ก็เป็นอย่างหนึ่งนี่เขาะนะ้าใจไหมก็หมายความว่าถ้าสวยคลองราชนี่มีความสุขแต่ถ้าหากมีโจร หรือมีผู้กอ่อการร้ายเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องยกพลเสนาเข้าไปปราบตอนนั้นน่ะทุก์แต่เมื่อปราบได้ราบเรียบแล้วเบ็ดเสร็จก็มาเสวยความสุขจากการเป็นพระราชาเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นอันนั้นเป็นส่วนเบื้องต้นนะกรณีที่ไปปราบปัจจามิตรทั้งหลายในเขตพระทัยแดนชั้นใดการที่เราต้องเพียรพยายามในการมาศึกษาสติปัฏฐานใช่ไหมต้องมาเรียนรอบรู้กายเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมานุัสสนาเป็นยังไง ต้องมาพิจารณาต้องมาวิจัยต้องมาแยกแยะเนี่ยและในขณะเดียวกันเมื่อเกิดความเข้าใจเบียดเสร็จแล้วก็ต้องเพียรในการยืนการเดินการนั่งการนอนในการที่จะมาวิจัยเรื่องอาหารใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันต้องปิดไม่ให่บาปเกิดทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นความลำบากไหมเบื้องต้นเป็นความลาบากไหมลำบากไม่ง่ายเนีเพราะมันฝืนถามถ้าหากว่าเราเห็นคนคุ้มครัง่งสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะจับเข้าไปรักษาจะ ย, ยากไหม มันไม่ยอมรักษาใช่ไหมอันนี้เหมือนการจิตของเราเนี่ยมันมันคลุ้มคลั่งนะถ้าจะให้มาอยู่นิ่งๆมันไม่เอาหรอกมันไม่เคยในสังสารวัตรที่ผ่านมาไม่ค่อยเรียนรู้พวกนี้นี่ยมันชำนานในวิถีของรูปแสงกิ่นรสสัมผัสนั่นแหละใช่ไหมจ๊าเขาถามว่าเวลามันนั่งฟังทำอย่างเงี้ยฟังไปแล้วมันเกิดปรางโมดปีติไหมเกิดใช่ไหมแต่บางครั้งทุกข์ไหมต้องทนไหมแต่โดยมากเราไม่เคยตอนกี้เท่าไหรเยอะเลเราไม่เหมือนกับการไปเกี่ยวกับเรื่องวัตถุกรมเลยนเรื่องวัตถุกรรมเราทนมากกว่านี้เยอะเลยใช่ บาทีโดนดา่าก็ยอมเนี่ยเคยสังเกตไม้มละ่ะบางคนทํางา น, นโอ้ยโดนดา่าใช่ไหมเอาเป็นพยาบาลเครโดนดา่าไหมละ่ะใช่ไหมก็ทนนะทำไมต้องทนขนาดนั้นเวลามาปฏิบัติธรรมทาไมไม่ยอมทนขนาดนั้นแรกบางสีใช่ไหมจะเอานิพานทัน้งทีเนี่ต้องกล้าแรกใช่ไหมใช่เอาขนาดนั้นน่ยที่กลับว่าเราจะแลกมันจะผ่านความทุกข์ไปยังไงยิ่งเจอความทุกข์เรายิ่งจะไม่ถอยว่าตัวกาลายแรงอยู่ ตรงนี้ก็คือว่าขอถวายพระพรเนะพระองค์สดับเหตุผลที่ว่ามันิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวไม่เจือได้ทุกนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งทุกเป็นอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านี้นะอีกอย่างหนึ่งเธอขอถวายพระพรนะศิลปะสุขในการงานศิลปะเนี่ยของพวกอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่รอบรู้เรื่องศิลปศาสตร์วิชาการต่างๆเราเนี่ยมีอยู่บอกว่ามีหรือไม่อมีบอกว่าศิลปะสุขเหล่านั้นเน่ยเจือได้ทุกหรือไม่ก็บอกไม่เจือเป็นต้นอันนี้ท่านกำมาแสดงให้ฟังทีนี้อีกอย่างหนึ่่งก็คือวา ท่ทานก็พูดเกี่ยวในเรื่องของการบอกว่าเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของเมื่อเช้าเนี่ยตรงนี้มาอธิบายให้ให้ให้ฟังนะถ้าบอกว่าสภาวะนี่นะถ้ามาพิจารณาเกี่ยวกันในเรื่องอย่างนี้ก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นการที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวในเรื่องของสภาวะเนี่ยบอกว่านิพพานเนี่ยที่บอกพระคุณเจ้าเนีนว่านิพพานนั้นไม่เป็นไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตไม่เป็นปริบันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะ ตรงนี้ก็คือบอกว่าพระยามิรินก็บอกว่านิพพานเนี่ยเป็นธาตที่สงบแล้วก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นสภาวะที่ประนีตนี้บุคคลที่ปฏิบัติชอบผู้ดใดพิจารณาสังขารทั้งหลายเนี่ยนะตามคําที่พระบรมศาสดาทรงอนุสาสทรงสั่งสอนไว้เนียนะ่ยย่อมกระทำปฏิภาณนั้นแจ้งด้วยปัญญาได้ก็บอกว่าเปรียบเสมือนบอกว่าลูกศิษย์ผู้ปฏิบัตินี่นะชอบตามคําที่อาจารย์สอนไว้แล้วก็ย่อมกระทําวิจัยแจ้งด้วยปัญญาได้ชั้นใด บุคคลนั้นปฏิบัติตามที่พระบรมศาสดาตรัสบอกไว้แล้วย่อมกระทําพระนิพพานให้แจ้งได้ปัญญาฉชนนั้นเหมือนกันทีนี้ก็มาพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือว่าบัณฑิตเนี่ยพึ่งเห็นพระนิพพานอย่างไรก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้ามาพิจารณาดูบอกว่าเรานี่เป็นบัณฑิตไหมยศสารเป็นไหมถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยต้องเห็นสภาพของพระนิพพานเนเป็นบรมสุขทีนี้การจะเห็นพระนิพพานเป็นบรมสุขนั้นต้องเห็นอะไรเป็นทุกข์ต้องเห็นสังขารด้วยความเป็นทุกข์ นิธรรมนิพพานเป็นสถานที่หาอุออปัตถวะไม่ได้ก็แปลว่าวไม่มียนตรลายแต่ถ้าการมีตาหูจมูกเล้นก า, ายใจอะเป็นที่ตั้งของอุอปัตถวะเป็นที่ตั้งของภัยและท่านใช้ศัพท์หนักมากนะท่านบอกเป็นที่ตั้งของเสนีย์มีภัยเยอะแยะหมดภัยเพราะการเกิดภัยเพราะการแก่ภัยเพราะการเจ็บไข้ภัยเพราะการตายยัง ไ, ไภัยเพราะความโศกความล่ําไ ร, รําพันธ์ ภัยเพราะการไม่สบายกายไม่สบายใจภัยเพราะความคับแค้นใจได้มาจากการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเด็ที่พุทธเจ้าเรียกว่าสังขารแต่สภาวะของสังขารนั้นเป็นสภาวะสภาวะของพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่ดับดับอะไรดับสังขารถามว่าถ้าเราตายแล้วสังขารนี้กำเริบขึ้นมาใหม่ไหมกำเริบหรือไม่กำเริบมันเกิดใหม่ไหมเกิดนั่นแหละเขาเรียกกำเริบถามว่าเราหยุดได้ไหมหยุดไม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสืบต่อในภพต่อไปนั้นไ้ไเนี่ยเขาเรียกว่ามันกำเริบ สังขารของเรา